คุณยายชราผู้มีญาณอย่างรู้ในหมู่บ้านน้องผือนั้นมีคุณยายนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งอายุราวแปดสิบปีเป็นนักภาวนาสำคัญคนหนึ่งที่ท่านอาจารย์มั่นเมตตาเป็นพิเศษเสมอมา คุณยายอุตสาตะเกียรตะกายไปศึกษาธรรมะกับท่านที่วัดน้องผือเสมอและหลานชายคนหนึ่งของคุณยายก็เป็นโยมอุปถาก์หลวงปู่มั่นคอยส่งบาตรทุกวันทุกวันพอองค์ท่านรับบาตรเสร็จแล้วก็จะสพายบาตรไปส่งที่วัดทุกวันไม่เคยขาดคุณยายท่านนี้ สามารถรู้เรื่องความคิดจิตใจของใครต่อใครได้จนบางครั้งท่านอาจารย์มั่นยังได้ถามคุณยายแบบขบขันว่ารู้เรื่องนั้นไหมคุณยายก็ว่ารู้แล้วเรื่องนี้รู้ไหมก็ว่าก็รู้อีกท่านอาจารย์มั่นเลยลองถามว่าแล้วรู้ไหม จิตของพระในวัดหนองผือนี้คุณยายว่าทำไมจะไม่รู้แถมพูดแบบขู่เลยว่ารู้หมดแหละคุณยายเคยเล่าเรื่องภาวนาให้หลวงปู่มั่นฟังอย่างอาถรรพ์ว่ามองมาทางวัดหนองผือแห่งนี้สว่างสวัยทั่วหมดเลยมีแต่พระภาวนาดวงเล็กดวงใหญ่เหมือนดาวอยู่เต็มวัด เวลาเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นคุณยายจะพูดแบบอาถรรพ์มากไม่กลัวใครแม้พระเนนจำนวนร่วมครึ่งร้อยรวมทั้งหลวงตามหาบัวจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นด้วยก็าตามคุณยายก็จะพูดได้อย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ที่เป็นพิเศษก็ตอนที่คุณยายทายใจท่านอาจารย์มั่นยางอาหานมากและไม่กลัวว่าท่านจะดุจะว่าอะไรบ้างเลยคุณยายทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาเพื่ออะไรท่านอาจารย์มั่นจึงตอบทั้งหัวเราะและเป็นอุบายสอนคุณยายไปพร้อมว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธิตถาคตคุณยายเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไป แต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวยและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่าฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวยครอบโลกไปหมดอะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉัน มันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยนี้ทุกครั้งที่คุณยายมาจะได้รับคำชี้แจงจากท่านอาจารย์มั่น ทางด้านจิตตภาวนาด้วยดีขณะเดียวกันพระเนนต่างองค์ต่างก็มาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆศ า, าลาฉันซึ่งเป็นที่ที่คุณยายสนทนากับท่านเพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตตภาวนาซึ่งโดยมากเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วน เกี่ยวกับอริยสัต์ทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมื่อคุณยายเล่าถวายจบลงถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วย ก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทาต่อไปท่านอาจารย์มั่นเคยชมเชยคุณยายท่านนี้ให้พระฟังว่าแกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนคุณยาย